กิราดาแล้วก็อ e. um ิทนะแปลงเลือดเียกันุัลลวนี่เป็นกันก็ได้แต่ไมเบียแล้วพระอนนี้จะาทสาัตพุธิานแล้วมาถึงเยะถึงจุติดง เท่านี้ก็หนึง สารเอเพียงเ็ขวแต่พระองค์ทรงิาถึงเหรียญของาหไดเมื่อซักคือซักยา็บัอของเทอง่าเงแผ่ดนกอดนึงปรเะรักษาไ้ปไปั เป็นอะไรเหลืองข้ทับเข็นไปเสดอะไรนาอริยซับเนี่ยอริยะซับหมายถึงปัจารีมาะควิโปปตะสิตตะปัญญาญาภาปัญญามีอริยะซับเ้าซับภายในปะจริยวซับซับฝนนี่เป็นซับผปเสด็เป็นซับผีสดจ เันเอก็เลยมอบอ้อด the ีตพักให้ให้ตาตาไดดือดนานไปเดือดเป็นสามยังเี้พอเย็นแล้วถึงไาถึงินางเป็นอะค่ฉายาแล้วก็จราถึงเขาจ้าตาเขาจะปี๋เขาจะอยากแต่เราห็นเดือดเดือดห้องใจนะาอยากจะให้ล้างเลือด มาอย่มาอยู่ก็เจาหน้าที่เร็จจัสมบัติ้าสางนี้ตามนังเสือ้ทย จะเป็นใหญ่ในโลกนโลกใครในโลกขีดตะเมนือเหนือยจะเป็นไมต่เป็นดินอเอืดดินเอนือดมนประเทศเอืดในโลกตลาดถึงขวบเกวาดายินงแผ่นเด่ยนยักษ์ใช่ไหมรถคาราวานหน้าคุดธรรมดาของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นสิ่งีอำนาจเาต่อจระศักด์ัวไปแต่พระนันเิใหญ่นหน่ก็ไปชอบหยิงคนนึ่งชื่อระเป็นอดงระยะหนึ่หยิงคนนี้ะเสียนาในสมัยนิิ่งเนเนือหก็เลยไปอบขอขอแต่งงาน การแต่งานจัเ <c> ป <ười> ็นข้อเหตุใดอย่างบรรดาใจกนกดเพราะศกดิ์น้แต่ย่งจะเคยือศากดิ์าะน้อยตามจนแต่งงานก็หาความนะันมากปกตินี่เมื่อพระพุทธเจ้าเบลอแล้วก็เด็ดมาถึงแล้วก็ถือว่าเป็น ลูกของตัวกรมมน์ฉันสงข์ในตลาดไบบางในพิธีเห็นบทของเอกเจ้าชายนางพะกับนางเป็นยอดภรรยานีว่าฉันสงข์ติดเขาองค์ตัวไม่ใส่แผ่นจิ๊บแบบหน่อยอ เห็นเพียวงานท้าก็คอยรับคอยรต่อไปครับม่าคอยไปนนจายทั้งตันทาแตงสจะใช่ยัเลยเอาบอกจ่าหัของเองครับออกไปพอไปต่าสาวใช้ระโยกระยาเม่ เรื่องก็เลยดังมาถึงหลักสนะีังแลรวะจคือตัวท่นนะเสียพระไทยแล้ยเหุ่นเหลือไปเลยตันใเวลาอะไรนั้นถ้าไปเหืออีกก็ในที่ใกล้ที่จะเป็นสูดสดมตะกีนเสียพระไทยไปยไปหาไปไปจ้าง คนจะมาเบือในศาสนาตังแต่วัดอน้าตีดานาเาะแต่ดีดานดาเย่ดีนั้ัอนี้ยากตดีดานดายัง่าเคลื่อนเบือผิดเพื่อจ่าก็ี้ที่าตั้งทีมันยบเก่กับารบื่อหน่คือเบือตั้งแต่วัดอันนี้ยาก พ่อแม่เจก่อนเรื่มเสียจตัวีนีม่อนม่เป็นอย่างบันหัดเป็นบันดก็เลยบันดัดเดือด่กยะลอดแต่ที่วันนี้การเดือดการเป็นเวลาอายุแตทำจีนอยู่ไหมทเสียเน่การเสียงการเดือดการกระทาคหันดูแต่สั่งเสียเรื่องนก็อเป็นปัญหาอะไร เหมือนกันตเราแต่วช่จะจนเนยบอกเขาแต่กันใความช่วในสถานที่ใดเวลาใดชื่อไปเรื่อยเชื่ออยู่จะเนื่นอยใจการเราทำดีแต่าลังเดียวกันเขาก็จะตจาโตางเสีเยพย า, ายาพยดีดานานดาค้า ง, างออกไปในเวลาค่าคืนนอกจากนั้นยากนี้เถื่อไปเถอะ มีความเป็นรักทักดีในะัวเองไม่อยากจะให้ใจอย่างนั้นเสียพระเทยในเรื่องยากไม่ยินดีเรื่อใส่ไม่เป็นไปแต่ทุกอย่างเราจะดีเน้าวเองตั้งพระภัยจะไปตั้งความดีในตัาเองเองนี่ไปแล้วก็พยายามทำนุกอย่างที่็เป็นทางดีเสียทางสาวกุลสป็นศึกษา กับดาวทั้งสองส่วนไหนัเลือดเกี่ยไปนัถือ่าทำทั้งสองเป็นพระอารหัตอาลหงาัแลวเอะาทั้งสองคนนี้เป็นจีเี่ยนใจศรัทธาทองไปชาเป็นเป่นรองไปศึกษาเป็นสงบทิชาของอาจารย์ทั้งสองพระองเป็นผู้ี่มีพระยหนักแน่นเป็นผู้ที่มีปีชา เหลมที่นาแล้วในสาทางสาสรู้เิงออกมาจากอาจารย์ไอาจารย์ไปเสียใจอยากจะหเยจนต่อาจารนนั่นสสอนกจิตใจแลิต่อไปเพราะเห็นหนาจ็บคนนี้สบายหน่ยันดินีไประอบการเตรียนคาามติดจกีวองสทางสาสรู้เพิ่งไปถึงเดนอาเซยนเดอนยุทา เนนำมือวันเพ็ญวันหกแต่อรดเื่อเป็นตะางล้วตัดชเป็นระยะเวลาหกปีควัมควารผักความเทียนปลายเร่อหลายเดือลายสิ่งหลาากสีมีทางสงสัยว่าจะเป็นไปเถอทางตรุก็ตัดชแล้วกินเสด็นะาจอประยงของพระองคทุกคนในวันสั่ พุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันทาจิตใจของพวกเรานั้นยังมีกิเลสตัญหายังไม่เป็นภาริย์เจ้าถึงจะมีศรัทธาเลื่อมใสเตนใจในศาสนาแต่ก็ยังคล้องคิดติดทันกับลูกเป็นส่วนใหญ่ความเหงืักลูตขอ e. งตัวรักหน้ารักกับสิ่งอื่นทั่วไปแเพื่อนั้นจิตจิตตะสมังเตม คามรักอ so, like ื band, no, no, no, no. ่นแป่นื้อดี๋รักเด็กหน่อยนีรักเด็กนีรักมากเศรษี้ีเด็กหรือเศรมากถึงจะเสียกระเป๋างนทองไปขนาดไหนถ้าหากลาบเดือของตัวหจากเกย์ไข้หรือหายจากอะไรสิไม่ชอบใจพอใจเลือกจะเชื่อจะเสียขนาดไหนก็จับไปก็ประกันให้ไรหนาเรียกสวน เขาขอเงนินทองไม่มีแต่กูยืมคนอื่นนี่คือการรักลูกรักเมียและการเมียในศาสนาจะทนอยูนเดียวกันในใจในคอใจถึงเขาจะมีแต่ทายเลื่อนไส่ในศาสนาอยู่ความเป็นใจคอใจดูจะมีน้อเป็นที่แล้วค่อยจะมีกันแต่การเมียในศ า, าสนาโดยคนใดเด็กคนใดลูกคนใดถือเจ้เโดยเจต ในใจเชื่อฟังบิดาแมานดาด้วยไม่อย่างนั้นเรียนอะไรก็ได้เอาผานให้ในเชิงพาที่จะได้ง า, า, านด ด, ดีให้คนเช่นนันี้ยไม่อยากจะมาฝากฝังคืออาจารย์สอนให้มาเกียวในศาสตรสมาเขาคิดว่าเรื่องของศาสตสมาเป็นถังขยะเก็บเงิเ น, เนคนเชื่อคนเสียเอาไว้ แต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นผันเป็นสีดียิเ่เสดอริยาสาเวสมัยพระาตทการเหมือนกันในชว่าคนที่โลกในศาสนาเพื่อไปออกมาบวโลกเกขาศาถนะาโลนะกขาานะเกขาเป็นว่า เ, เป็นสีดียิ่เสดอยู่ใน่สนควรจะถอยไปสู 4, ่วัดวาศาสานาะเขาถือว่าวัดวาศาสนาะ เป็นหน้าที่ของคนถ่ายคนแกเป็หน้าที่ของคนในมีสติปัญญาหากิ้มเหน็บาท้อเขาไปอาศัยเรื่องของศาสนาเขาคือกันเสียงแค่นั้นไม่เด้คอกานมาบการบวชในศาสนาปฏิทธรรมทราสอนของพร้เจ้าเป็นของดียิ่งเสดอะไรโดยเต็มใดเข้าไปเป็นเพียงคอขนาดนั้นความอยากได้บินอยากได้สี๋ผลอยากได้จี๋เจะเสียต่าดหรเสียตละอยาก เขาของเงินทองพอเสียสละก็ได้แต่เลกิ์ฤทิ์ติะเสียสลากยางจริงๆท่าเป็นเกียรติทรักเขาชอบใจเขาเหลื่อมใจเขายินดีจริงจังแต่นั้นเลกิ์ของพวกคนที่ดีมีสกีติปัญญาเขาถึงเหว่งแหงไม่อยากไปให้เขาวัดเขาว่าเขาเดือดไม่ใา่ซะน่คิดคิดอย่างนั้นก็มีอีกหนึ่ง v า l u e ของตนนั้นไปเหมือนแล้วจะไม่ทำประโยชน์อะไรจิตใจจะไม่เต็มไปในการต่อเพื่อปฏิบัติอยู่จนเจื่ออยู่ในรันในลได้แต่ไม่มีธรรมะธรรมโออะไรมาแม่สอนยิดามันดานอกจากนั้นเจื่อจะอยู่ไม่ได้เสียหายลาปดออกไปจะเสียตามเสียงานจะทาเขาความขัดใจแบบนี้ตคนมีแต่ความขัดใจแบบนี้ดีใจมีส่วนน้อย ตีหงเหงเอาไว้ด้วยแคิดทหาเหตุผลอะไรเป็นส่วนใหญ่แต่การียงการเบือเป็นการเสียสละใหญ่โตไม่ใช่ของเล็กน้อยเพื่อเบื่อกิจังจะยอมเสียสละเสียสละทุกอย่างที่โลกเขาต้องการที่โลกเขาส้อรเสริมที่โลกเขาชอบโลกเขากินดีความรกิง คนบวอดก็ออกมาจากคาราวาที่เหลือปัญหามีเจวยคฟ้าบรีเวณนู้นกันในเวลาคนคนนั้นหมดที่เหลือแล้วถึงค่อยทะหวดมีที่เหลืนี้กันถ้าอยู่บ้านอยูเป็นคาราวาก็ในเวลาคนนั้นเขาจะไม่มีสมบัติพักสถานในมีเลืกมีเงินไม่ใช่คนคนนั้นหมดหวังในทางคาราวา ถ้าคนหมดังอย่างนั้นเข้ามาบวชนันตัไหนเอา่านอะไรกินแล้วแตนอนไปอาศัยเถิดของการบวชเท่านั้นแต่พวกที่บวชสมัยจักรการอย่างยาศาสตร์ป็ละเอีดก็เป็นเจ็ดสีพระพุทธเจ้ากับจงกษัตริย์พระมหาก็ลยินกับจงกษัตริย์ในรสทาอานนท์พวกกษัตริย์เหล่านี้เราจะควตั้ ชาละมดชาเลือดมดเคก็เป็นผู้ที่มีตะกุนดีตะกุนเด่นคนตะกุนต่ำรู้สจะมีน้อยเพราะคนตะกุนต่ำเนี่ยเขามีปัญญาที่จะมาเห็นทุกเห็นแต่สนุกเพลินในอามรมณ์ต่างๆพวกที่เข้ามาเหือเบือหน่ยยายในสารว่าเห็นอยากสาวาัยิ่งใหญ่ลำบากลำพาน มีอะไรที i, ่จะได้เป็นของของตัวคนเกิดมาในอดีตเขาเก่องสั่งตัวหากินเลื่อยมาเวลาก็ตายไปไรน่ะเก็บเศษเขาควงเงินทองกับสิ่งเอาไว้มีใครได้ไปันเดียวแต่ก็อเหนือยเหนื่อยเหนื่อยตาแสงหาเมื่อไปเก็บเป็นพระก็ไม่ีอะไรที่จะอดอยากยากจนขนาดไหน ควาสำคัญเรื่องบรัพไส้ที่เกี่ยวกับเทศเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาหารัางเยูกินส่วนหนึ่งเที่พักหาอาศัายายาเสพตรดไทยๆมีจึงพอบริบูรณ์ภาหาประเศดีปฏิบัติชอบพอเต็มไปคิบว่าการบวมีโอกาสเวลาในการจะ ภาวนาแก้ที่เหลือได้น้ากว่าวามเป็นฆราวาความคิดเบื่อหน่ายในสมบัตพระสถานส่วนั้นพระสมัยพุทธกาลท่านจึงไม่แสวงหาไม่ว่าแสวงหาอะไรจเป็นเรื่องทั้งโลกเพระท่านทป็นบุเปนึกมาอย่างยาศาสตรเนบุก็มีตาศาสามหลังเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีบริษัทบรรเเลกเีต่างมากมายสายกองเบื่อหน่ายึงติดตั นอนหลับไหลมือนจำกระพิ้งกร้ยามีเม็ดที่ออกบวชของยาสารสิ่งระบุเดดนั้นคำจุ้งเต็อุดทานในตอ น, นที่สี่ยนะิ้ประมวลน่ะนอนหลับพอไปดูไปเห็นเขา่ามันไมน่ชอบใจเพราคนลับบางคนกตนอนลืมตาบางคนกตนอนอ้าปากบางคนกต น, น้ำน้ำลายไหลออกจากปากบางคนก็นนอนไป เขาเค่นมันไผ่านทำสบาก็่าไหนรักษาแรงกลกเดื่อเถอแล้วเมื่อไปตานเรื่องต่างๆท่านเห็นเข้าสดสังเในจิตในใจเหมือป่าช้าผีดุจิตอย่างนั้นจิตใจของท่านเบือหน่ยจะมาหลงไหลทาไมเรามาหลงไหลอยู่นี่งานทีแล้วคอยใจว่าเป็องหยุดของดีเพจิต มายินดีเท่านั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยวางไ้หมดนี่จะจะตั้งหน้าประพฤติภาวน า, าละทิเลถัวันนี้ออกจากลาสาในการคืนเงื่อนไขจาพระพุทธเจ้ายาสากินกธธแ ล, ลบุตรนี่จะน้นพุทธการเกลียแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินกมภาวนาละกิเลมันเดีสร้ า, าสงสติวิหารมนเดี๋ยสร้างเวลา เงื่องร่างต่างๆมาเลยไปแสวงหาสมบัติพัฒน์ฐานอะไรอาศัยการยินทบาตเยี่ยงชีวิตไปเป็นวันเท่านั้นขัดขันก็ไม่เดืนด่งหวังว่าอันนั้นอร็อยอร่อยอันนั้นราหนิอันนั้นเลสามขอแต่ให้มันเงีบสงไทยคงเสีขอแต่ให้พอแต่ทางชีวิตไปได้ทำความเพียนทางจิตทางใจสะดวกสบายเปนพอ ตรงนั้นท่านคือนี้ไปจึงง่ายเข้าไปในเมืองใหย่คี่มีอาหารรสชาติดีนี้เข้าป่าอยู่ตามคนป่าธรรมดาคนป่าก็เขากินอะไรเขาก็ให้อนั้นตามเลืองของเขายิ่งสมัยพุทธกาลไม่เคยมีใครไปเนี้ยนำถ่ายสอนว่าทานของเลิดโดยผลเลิศทานต้องดีเลยผลดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ถือยาพระ ยินทบ่าเน้นกันกับคนขอทานธรรมดาไม่พิว่าเป็นของประเทศยุ่เศษอะไรในสมัยหนึ่งตนของสุทการแต่นั้นจริงลำบากยากเย็นตะคนจิตคนใจใครที่ไม่เลื่อมใสไม่เห็นอาจเห็นธรรมแตทนเหนื่อยเพราะเคยติดความสุขความสบายมาจากคารวาออกจากสคูลที่ดีหนีไปอยู่ ป, ป่าอยู่กับคนทุกข์ยากลำบาก แ้กวก็ค่มใจล้วคิดไปต่อค่มพระไทยฉันก็ไม่มีไทยคณะอะไรใส่ก็บาปได้เดียวน้นก็อาไั้บาปไปตักมาอาบมาฉันจนกระทั่งวันจตปริมิพานก็ยังไม่มีภาสนะน้ำอันอื่นจะเห็นได้อย่างพระองค์ตรงกะหายชายพระอเนไจะตักน้ำก็เอาบาปใส่ ไปตากน้ำมาถวนยมีแสดงว่าบาปเป็นสี่รวมทั้งหมดตุ่น้ำก็อยู่นั้นภาชนะอาหารก็อยู่นั้นทนปฏิบัติดัมโกน้อยยินดีตามมีตามเปิดของตน <c oughs> จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรู้อาจเข็นทม ใจสงบสงัดจนละถอนกิเลสที่เคยติดข้องเจ่ามองต่างๆตกไปขาดไปที่ยังไม่ตกไปข่ขาดก็เห็นความสุกของใจไม่ม่ได้วิ่งวุ่นอยากอันนั้นอยากอันนี้นอกจากอยากจะต้นกิเลสเท่านั้นใจของผู้มุ่งมั่นอย่างนั้นจ็งไม่มีภาระหน้าที่อะไรไม่ว่า อยู่สถานที่ใดนี่จะกาหนดจิตโดยใจท้องตัวสม่ําเสมอไปว่ามันคิดปรุงนี้เป็นทางที่สะสมกิเลสหรือปเป็นทางละถอนกิเลสที่เจริญงาอยู่นั้นแต่และ ว, วันยอมได้อุบายต่างๆจับเรื่องของจิตที่คิดปรุงเข้าใจขนาดชาัดเจนเลยไปจนใจถึงดียุดที่สุด เรื่องของธาตุของขันเข้าใจขนาดชาัดเจนว่ามันเป็นก่อนของทุกเป็นพาละถ้านี่พาสีกับภาลาหาเรียเป็นจักรทันทาขันทั้งห้าเป็นพาระหนึ่งควรจะแบกบจะหามต่อไปพบใหม่เราจะไม่มีอีกพอเห็นเรื่องของทุกในขันอยู่ทุกวันทุกเวลาจยดหยจะไปยึด เกี่ยวกับเรื่องของขันเร็วหมดไปละถอนเรื่องขันได้ก็คือละถอนเรื่องที่เลิดได้ไม่เห็นรูปแบบเป็นตนไม่เห็นต้นว่าเป็นรูปไม่เห็นรูปแบบมีใตไม่เห็นตนว่ามีในรูปเวทยนนาสมมื อ, อนอากนนารสัญญาสังขันยินยานขันทั้งห้า ง, ท, งาท่านรู้ท่านไปจัแต่เมืม่อจิตเป็นเนนิดสงเหล่านี้นั้นก็ยังคงที่อยู่ เพราะสิ่งเหล่านี้ในใจกิเลสเป็นขั น, นเราจะหลงไหลไปตามเรื่องของขันเขวัใจขันเป็นขันความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นี่คือท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาจิตใจของท่านเมื่อเห็นนเป็นอย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายจะมีหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะชาตินี้แต่เมื่อแตกดับไปแล้วจะไปที่ไหนเข้าใจในตัวเอง เพหมดกิเลสก็คือการถึงนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนพอจิตใจถึงความหมดกิเลสมันมีทา ง, งสงสัยว่าจะไปที่ไหนจึงจะเป็นนิพพานเพราะความดับกิเลสเนี่ยแทนเลียกว่านิพพานไม่ใช่เรื่องอื่นว่าจะไปสวรรค์สมมาโลกนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นั่ น, นเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องของจิต ขณะคิดคิดเป็นไปอย่างไรเข้าใจการละเรื่องชีเลตการตัดเรื่องชีเลตการประพื้นตัวดีในสมัยก่อนทุกคนที่ออกบวดเมืองมั่นตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบวดเพราะจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเพียงเป็นคิพเป็นจานอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ดีบวดฮะลาบยบศสังลระเศษ ทางโลกบวชหาความสุขทางใจอย่างไรใจเราจะเป็นสุขใจเราจะพ้นทุกข์นั่นแหละจุดมืงหมายของผูบวชทั่วไปแต่นั้นจึงอยู่สถานที่ใดในตังวลหยุนวายท้ายนอกนีจะจะละจะถอนกิเลสปัญหามันซ่องมันติดมันเชิดมันตึงอะไรถึ่งเป็นใจทางโลกทางชั่วท่านจะพยายามแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาของท่านเสมอไป เป็นจิต ใ, ใจแกไขหมดสิ้นเรื่องของกิงเลสเมือ่อใดสันก็มีความสุขความสบายจะไปอยู่สถานที่ใดอะไรอีกมันจะเกิดขึ้นไม่มีสําหรับจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าความดีไม่ว่าความชั่วจะเกิดในความบริสุทธิ์อันนั้นจนอันไม่มีอีกจึงหมดสงสัยว่าความบริสุทธิ์นี้จะเป็นอะไรไปอีกไม่มีทาง จะเห็นจะเป็นปเฉพาะผู้บวชปฏิบัติรู้เข้าใจในตัวเองอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติอั น, นิสงของการปฏิบัติความอยากหมดขึ้นไปในความบริสุทธิ์ของท่านท่านจึงสบายอยู่ทุกวังทุกเวลาอยู่ป่าอยู่เขาอดอยากขาดแคลนอะไรแต่ใจของท่านอันนั้นมันไม่ได้ขาดแคลนไป หลังกายเจ็บป่วยอันนั้ม น, มนมันเหเจ็บป่วยไปจะเลยติดอยู่ตลอดเวลาเป็นอาสาริอโก้โก้ที่มึนหลังถึงความบริสุทนิึนหรมุดอย่างนั้นเป็หมืมีการเกาะเกี่ยวตัวพันกับเรื่องทังโลกเขาจะสร้งและเสริมโยนยอเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะตัน็นติชชนด่างไรเป็นหน้าที่ของเขา เราเป็นอย่างไรสร้างหับอยู่ภายในใจความดากแต่เขาแสดงเสร็จก่อนย่างมีความอากใจเขาเลินทาก็อน่มีความดยากจะไปยบผ่านก่อนในนี้อีกมันจะมีฉากที่ผิดเลยก็ไปถึงแล้วเห็นแล้วจะอยากอะไรอีกถ้าอยากจะยังมีหิวอยู่ถ้าหาเขายังไม่เห็นมันเห็นแ้จะไปหาอะไรมันพอแล้วจะไปอยากอะไรนเหนื่อใจถึงความบริสุทธิ์ยังไหนเนี่ย อะไรเป็นปัญหาสำหรับท่านเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่จะท่าดยากเลื่อยไปได้อะไรมากกว่าไม่พอภายในใจแังนั้จะมีการหิวเลื่อยไปถ้าท่านขว่งมีเหลือคฟือแต่นั้นก้อยาเพรามันจะแกไขที่เดมาใจของตัวเองทือเป็นคิดมันหลงเลื่องของใจอ่ะ เป็นทุกไม่ใช่เรื่องอันอื่นเรื่องกายไม่เหนื่อยนะนาทีของมันเกิดมามันก็แย่เลื่อยไปแล้วจะทําดีทำเชื่วมันโกแยเลื่อยไปแต่ถ้ามันหลับมันนอนมานยืนมันเดินอะไรมันก็แย่เลื่อยไปจะทําการทํางานหลือไม่ทการทํางานมันโกแย่เหมืนกันกับกลางวันกลางคืนนาที่ของมันเราจะทําความดีมันก็หน้าที แ่เนมันก็หมดไปหมดไปอย่างนั้นความแก่องธาตุของขันก็ทำนองเดียวกันมันเห่อล้ไหลถึงเวลามันตายมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของถาดุของขันต์พุทธิเนยลื่มหลงเคื่องจิตของพุทธิวริสุทธ์มันลื่นหลงมนเพ้อเพลินมังวเมานสิ่งเหล่านี้ เข้าใจตามเป็นเชียทุกสิ่งทุกอย่างใจของท่านจึงสบายเมื่อใจสบายแล้วทุกอย่างมันก็สบายไปถึงอย่างใจมันจะเยือกแข็งแต่ใจมันก็สบายมันยงมีอะไรอยากต่อไปความสุขความบริสุทธิ์ของใจจะเห็นจะเป็นเฉพาะ สปฏิบัติถ้าเห็นว่าธรรมะเป็นทันติกิตโกเป็นปัจเจตังหรือเห็นเด็กตัวเองเป็นของเฉพาะตัวพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติธรรมะจรรมะไม่ปเป็นโลกะสาหรับสุขภพปฏิบัติส <c> ต <oughs> ิจิตเคย อ, อ่อนก็จะแจจขึ้นปัญญาจิตใจ อ, อ่อนก็จะจ แก่ขึ้นว้าขึ้นที่เหลือปัญหาที่เคยลบกวนก็จะค่อยหายหน้าหายตาไปตกไปใจจะบริสุทธิ์ใจจะสว่างสวัยใจจะเยือกเย็นหากเราเนี่ทีนี้ิจารณาอย่างนั้นก็ไม่มีวันการบวชมันกบบวชแต่กายเพราะใจไม่บวชให้อยู่วัดอยู่ว่า ใจแต่สายไปหาการงานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชาเป็นเมนก็เป็นชาเป็นเมนุี่สกปรกไม่เสพระสะอาดไปหาเกี่ยววีทุกแห่งทุกหนเห็นตื่นคนก็ชอบก็จิตก็จิตก็จึงไปพระเน่าเมนเน่าพระแมลงวัน หาตอนติดตอนที่คือจิตใจไม่มีอาจไม่ทำมันเป็นไปได้ถ้าพระคือดีทั้งในอย่างนั้นแับออกไปเมื่ อ, อไรก็โทษตัวเองสงสารสังเวชว่าเทศไปเสดีเิเศษทำไมใจถึงหลุ่ลมมงหลงมเมาอย่างนี้ ำหนึต mm ัวของตัวเสนอไปแก้ไขเรื่องของตัวไม่ว่าการนั่งการเดินการหลับการนอนจะอยู่กับอัจกับทำนี่คือพระรวนเป็นพระเป็นสุปฏิปันโนเป็นอุสุยายะแ้าในรักษาจิตในรักษาใจของตน อลอยลอยลมไปอยู่วัดได้แต่ลายใจใจมาอยู่ในวัดไม่ว่ามาอยู่ในโรงขางศาสนาเป็นโจรเป็นมารก้นจะดมชาวบ้านเลื่อยไปเห็นใครก็ชอบติดติดตึงในเรื่อ ง, ง <c ười> อชอั่วหนึ่งเสียต่างััถ้้้าแแบบบบนนนน ตัว เ, เองตั้งหนึ่ตัวในวลาจะคนอื่นก็จะหาความสงบเยกเยั้งในมีเราหยุโรูเสียงเรื่องราวภายนอกเป็นทองหยุดท่องดีกว่าอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนจิตคิดตรงไปในี่เลสปัญหาจิตข่องในลาคาต่างๆมันก็ไม่แตกอะไรกับสัตว์สัตว์มันก็เป็นได้ั้ัาาสิทข้ามูลทีศึกษาเราเรียน สิ่งนี้มันมีแต่จำต้นดานของสัตว์ทุกประเทศจีนลมปานะลมหายใจมันเติมไปได้แต่เราคิดเติมแบบนั้นมันก็เลังคิดอะไรสั้นเดี๋ยว่าสั้นแล้วเสร็จว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนดีดีเศษดีดีเศษอะไรที่เหลือปัญหามันอันเดียวกันโลกคนหลงเข้ามันอาจจะน้อยกว่ามนุษย์อีกเติมหมามันไม่ได้หาเขื่อห้ามอนที่ไหนมันจะนอนได้ ถ้าวมัตรงเลยฮะภาชนะอะไรใหยมันเยิ้มจะยิ้มแต่ย่างมันก็กินได้มันละได้กว่าคนเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่คนเราไปาต้งนีว่ะมันชั่วกว่าเราไปเสียแเรามีจิตจิตไปในทางชั่วมันชั่วยิ่งกว่ามหาพยายามรักษาพยายาม ดัดแปลงพยายานแกะไขจิตประคับประคองใจแนะสอนสม่ำเสมอใจดิบดื้อดึงต่างๆก็จะหดตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาเพรเราเขี่ยนแล้วตีอยู่เรื่อยคิดตึงอะไรในทางชัอดทางเสียเราจะต้องดัดตัวคล้องตัวเหมือนเดิมฝ่าฝืนอยู่เนาะเปนเหยื่อยอม แห้มันฉันไม่ยอมให้มันนอนฝึกสอนมันทุกอย่างดัดมันจริงจังเม่อย่างนั้นมันตรงได้ไม่ได้นะลูกศรนถึงเขาจะเอาไปยิงนกยิงสัตว์ต่างๆเขายังดัดจิตใจของเราไม่ดัดจะให้มันตรงไปให้มันดียุิเศษมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเคยคดเคยงอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะต้องดัดการดัด หาวันแข็งวิธีดัดก็ต้อเผาไฟเมันก็ดัดเหล็กอะไรลบบเป็นไฟแต่ตีตัญญาเป็นตาตาสำหรับเผาถูกการเผามันก็อ่อนนด้พยายามเนืดคิดที่จะราาตัวเองอย่าไปจดเรื่องคนอื่นแก่ตัวเองไม่ได้ ดีเยี่ยมสอนคนอื่นได้มากมายเท่าไรมันก็ควรจะเยี่ยมเผชิญให้สำหรับตับวของตัวของอยแกตัวเองฝึกตัวเองตัวดีแล้วไม่มีปัญหาจะสอนคนอื่นหรือไม่สอนมันก็รจะเป็นปัญหาอะไรเห็นไหมถ้าอาจารย์เป็นทันยะท่านาาสอนใครอยู่ในป่าแล้วก็ถือว่าเป็นสถาณะของเราพอถํามบทที่เล็กเขาก็ได้กล่าวไปเลย แต่ชงปั้มหน่งแบบนี้เข้าป่าจะทำประโยชน์แกโลกคนที่หมดกิเลสเขาถ้า้าชมเชยชนะจะแบกหามพักผัวขวนฟูงเข้าองค์ชงเชยเพราะไม่มางเสียตนนี้ไปอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรถ้าองค์ชมเชยอีกนึ่คนหมดกิเลสไปสถานทไหนทาอะไรหมดกิเลสเร่ยไปไม่มีอะไรที่จะข้องจิ ยิ่เตยยียบขวางทั้งทั้งที่เราได้ไม่เป็นหน้าเป็นอย่าอ ง, งอะไรนี่จะจะสอนคนอื่นแต่ก็เื่อมใช้ไม่ได้จ ะ, จะหนึ่งหลักแต้ละทายนอกแต่จิตใจมันเน่ามัานเหมอนขนาดไหนอ่าง น, นี้ทางสมณะศาส า, าสรังนั่นนน่ะสำรวจตั้งลดตัวเองน่สอนตัวเองฝึกฝนตัวเองออกับพวกปฏิบัติให้เย็น ความสุขความสบายภายในก็จ ะ, จะหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นเกลียดก่อเกลียนตัวเองอีกดูสิความประสงค์ของพระพุทธเจ้ากับทุกคนต้องมีการลุ่มเหลงมีการเดือดร้อนเพราะเราบางเคยในเรื่องของ วิลปัญหามาพอเหมือนตาที่ยอยู่ในน้ำพอเอาขึ้นบทงี้กยื่นรินเป็นธรรมดาพระันทะพระอนชาหน่อชายของพรเจ้าก็เหมือนกันพอเขาไปบวชคิดถึงบางใกนะคนนับบทแลยานี่แต่เป็นอันทอะไรจิตใจห่วงใยคิดถึงอย่าทำความผาปความเพี้ยนอะไรก็ทำไม่ได้เป็นพระองค์ หาทางเสืมานข้าไปเที่ยวตามไหลตามป่าต่างๆพอเห็นนางดีนางจะมีเข่าเสียไหมกับนางเซนน้าโบดกะระยานีใครเสือตัวกันโอดเห็นพระองค์ไหวพระองค์ดีหมิ่นนิงทานำจุดดีจุดข้ามาเขี่ยกับนางเซนน้าบดกะรยานี แต่พระเองเป็นผีถิ่นมเดชแต่ไปดูมาเีนงานข่างนะสมัยเ้ก่อนจึงบันเดินบันดาลใ้เห็นงางเทพอักษรบนสวรรค์เทวดาเป็นสิ่งที่สวยงามมากจนจิตปากของมนุษย์่งหน่เคยเห็นว่างามเหมือนเทวาทาน่านทกเเคยเห็นเทวดาไปเรข้างเขาเคยเห็น นี่พระนันทะก็ทำนองเดียวกันในกครองเหวินนางเสวดาเหวินแตงสนบทกัลยาณีเท่านั้นว่าเสวยเด่นเยี่ยเศษเกือบทุกคนในโลกไม่มีใครที่จะเทียบเท่าทียบถึงยินดีจิไปจขครคิดแต่ในหญิงคนนั้นพอไปดูนางลีนางขังพระพุทธเจ้าอ่ะใครเสียใจกันล่ะไปนางสนบทกัลยาณีจึงมีการเสียพระไทย พอไปเห็นนางเทีวอักษรเทวดาเข้าเหมือนกันกับลีนข้ากับมนุษยนางคนบนจักรยานี้มีอะไรเลยเปิดนวดไไม่มีอะไรที่จะจิตใจดาได้ยาได้แต่นางเที่ยวว่าดานางฟ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าถามว่าเก็งไงนางเทีวอักษรเทวดากับนางสนบนจักรยาน ก็บอกว่าเหมนกันกับนางลีนงข้างอยาได้ไหมนางเพรดายากได้อยได้ยี่ดึงพยายามเดินกรมภาวนาทำความเพียรเถอะนะเราก็เป็นตัวประกันให้ถ่ายาความเพียรทางจิตทางใจจะมีหวังนี่างเพรดาเหล่านี้จะให้เป็นถาคมันเหวี่ยงสีของคุณให้ได้ ทำความเพียรพะทำความเพียรไปโดยฟังหนื่งหลังต่างใจอยากไได้นางเทวดาคนนั้นเยอะเลยงานพระทำความเพียรเผื่อแดดเพียรนางเทวดาไม่ใช่ทำความเพียรเผื่อลายกิเลสคนนั้นใยอะคนนี้ยันจึงเป็นพระเดียวกันท่านก็ทําเล็กได้และเล็ดได้เอ่ยหลงกิเลสของใจแต่ก่อนแล้วก็ ลักแครชอบพอนะนงสนมเด็กเจริานี่ไม่ไปตกนางเทวดาก็ปล่อยชิมได้ในใจิตใจยายดีอะไแต่ม่สมนมด็กริญนี่ไม่ชอบตกเทวดาจิตใจมันไม่ยาวเรือยเกินถ้าเห็นหญิงอื่นที่เ ส, สียใจเทวดามันก็จกไปชอบอีกจิตอีกไม่จับผิดเต่นจิตใจท้องตัวละอายใจ ใจิตไปในทางการอารมณ์สังวรระวังจิตที่นี้พิดเจินมาอาศุทาาอาศุพังที่จเจินมาธรรมะหนาเน่นเข้าไปในืยใจหลุดลอยออกจาสสิอารมณ์ายนอกผลพิสิกดก็ได้ตัดสู้เป็นอรหรจจันต์เขาก็ไปจากระทนวตั้งเอตัคขะว่าเป็นผู้จีนี อิอนทียสงวนคือผูระวังจิตใจดีเด่นกว่าทุกเอท่านจับได้เราก็แค่จับได้เหอนกันถ้าหาะเราจะจับจิตของจิตใจเรื่จิตใจเท่านั้นเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนริ่เหลงทําให้คนเปิดเผนร้องให้เสียใจเศร้าใจต่างๆ